ทัศนสู่ธรรมเรื่องเข้าสู่ทางสายกลางเนื่องด้วยทักษะแห่งดนตรีโดยอาจารย์โกวิทอเนกชัยเขมานันทะวันที่22พฤษภาคม2538ช่วงนี้เป็นช่วงเดือนพฤษภานะครับเดือนพฤษภาคมตัวหนังสือน่าจะแปลว่า การมาของพึกษชาติก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ดอกไม้บานมากที่สุดกระดูจะพร้อมใจกันบานทั่วประเทศครับผมไม่แน่ใจว่าในประเทศอินเดียเนปาลดอกกระดูจะพร้อมใจกันบานด้วยหรือเปล่าช่วงพกษภานั้นไม่ได้มีความสำคัญเฉพาะทางการเมือง เท่านั้นครับแต่เป็นช่วงที่ท่านผู้หนึ่งได้ถือกำเนิดผมถือโอกาสนี้ได้พูดในวันคล้ายวันเกิดของท่านอาจารย์สุนโมคิดด้วยเลยแม้วันเวลายังมาไม่ถึงก็ตามแล้วก็ น, นึกถึงเรื่องการบานของดอกไม้ขึ้นมามีเรื่องจะเล่าสู่กันฟังในส่วนพุทธประวัติ แม้จะไม่มีความสลักสาคัญมากนักต่อการปฏิบัติหรือเจริญสติีปฐานสีนะครับซึ่งเราถือนั่นเป็นเป็นกิจเป็นหัวใจของการเข้าถึงก็หัวใจของพุทธศาสนาก็ด้วยวิธีเจริญสติีปฐานสี่อันนี้เป็นที่รู้กันทั่วไปทั้งฝ่ายหินญาณและมหายาน แม้ว่าจะมีระบบสอนหรือระบบกรรมฐานอื่นแต่โดยแท้จริงแล้วระบบกรรมฐานหลากหลายเหล่านั้นสงเคราะห์ในสีิประฐานสี่ทั้งสิ้นครับทั้งนี้ก็เพราะว่าสีิประฐานสี่เป็นฐานของยานวิทยาที่จะให้เกิดยานทัศนะเราเข้าวัดคดีฟังเทศฟังธรรมคดีนะครับหรือไปบวช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 ไม่ใช่เพื่อเป็นเพียงศิลปะวิทยาแต่มาเพื่อจะทำให้ถึงที่สุดทุกทรัพ์ของชาวพุทธที่ชวนจดจำที่สุดคือคำว่าถึงที่สุดแห่งทุกนั่นหมายนึกว่าทุกที่เคยเรารุ้มอยู่หมดถึงที่สุดของมันที่สุดของทุกก็คือความสิ้นทุกนั่นเองนะฮะโดยภาษาโดยตัวหนังสือ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 ก่นหน้านั้นพืชพวกปรงพวกอะไรนี่ไม่มีดอกบานนครับแต่คงจะมีอะไรพิเศษตรงที่ว่าเมื่อมีเมล็ดเมื่อมีดอกไม้ก็มีเมล็ดและช่วงที่มนุษย์ปรากฏกายขึ้นในโลกในดาวดวงนี้นะครับเป็นช่วงเดียวที่ดอกไม้มีขึ้นและโดยเฉพาะดอกบัวนั้นได้ถูกหยิบขึ้นมาเป็นอุปมาครั้งแล้วครั้งเล่าไม่ใช่เฉพาะในหมู่ชาวพุทธเท่านั้นนะครับ แม้ชาวอียิปต์โบราณไม่ทำเสาโบสถ์วิหารก็ทำเสาเป็นหัวบัวเพราะดอกบัวนะั้นมีลักษณะพิเศษมากตรงที่ว่าถือกำเนิดในคโคลนตมซึ่งถือว่าเหม็นไม่สะอาดแต่ความรามกลิ่นทีมัน น, นกลับบริสุทธิ์ผุดผ่องขึ้นมาครั้งแล้วครั้งเล่าที่อาจารย์ลุมโบราณได้หยิบเอาการบานของดอกบัวมาเทียบกับการบานของหัวใจ เราจะเห็นว่าทางทอนออกนั้นนิรุกปีรากของภาษานะครับความหมายของภาษานั้นจะกํากึ่งแล้วฟังดูคล้ายกํากวงคือหยิบข้างนอกมาอธิบายข้างในหยิบข้างในมาอธิบายข้างนอกเช่นคําว่ากมลแปลว่าดอกบัวก็ได้ครับแปลว่าใจก็ได้ครับแล้วฝรั่งที่ไม่คุ้นกับวิธีของชาวบรุรพทิศ งงและสับสนแต่ฝรั่งที่คงแก่เรียนก็เข้าใจได้ครั้งหนึ่งประเทศเราหรือคนไทยนะถูกประนามมากว่าเวลาพูดกับคนไทยแล้วลำบากเขาเรียกเฉพาะว่าสามีสท็อกคือพูดกลับไปกลับมาทั้งวันนี้เนื่องจากความเข้าใจผิดของฝรั่งที่ถือขนบธรรมเนียมประเพณีโดนตกจัดและสรุป ว่าตะวันตกคือคำตอบเพราะว่าที่โยกโครงด้านภาษาอุปมาอุปไมัยก็ดีเนื่องจากโลกตนออกนั้นพระอาทิตย์ขึ้นก่อนองสันนิษฐานว่าคำว่าเอเชียอาเซียนน่ C R, น่าจะมาจากคำว่าอุสาพระอาทิตย์ขึ้นก่อนและสิ่งน่าประหลาดก็คือพระอาทิตย์กับดอกไม้ในสัมพันธ์กันมากครับดังนั้นครั้งแรกคงเล่าที่พระเจ้า จิบการบานของดอกบัวกับแสงอาทิตย์แสงอาทิตย์เข้าไปเร่งเราให้ดอกไม้ที่พร้อมจะบานนั้นเบิดบานและในวันนี้ท่านกลับรู้สำเร็จพระโพธิยา น, นครับสิ่งที่ท่านร้องอุทานก็ปลูกพันกับแสงอาทิตย์อีกแล้วครับท่านพระวิษุที่บวชนานๆหรือผู้ที่ขําหวอดกับพระจาย์วิโดก็จะจำได้ คาถาที่ขึ้นต้นนะครับว่าจะทาฮาเวปตุพวนติธรร ม, มาอาตาปิโนชาโตพรามนัสสะผมไม่ต้องล่ายาวนะเพราะไม่มีประโยชน์แต่ขึ้นต้นให้ให้ใหรู้ว่ามีที่มาผมไม่ได้ยกเมฆเอาเองพระเจ้าอุทานว่าเมื่อใดแลพราหม์ผู้เพียรเพ่งอยู่เอาแต่เนื้ อ, อ, อ, อความนะครับ <c oughs> รู้ชัดว่าสรรพสิ่งทั้งหลายเกิดแต่เหตุมีเหตุเป็นแดนเกิดนะครับประโยคที่สองก็คือเมื่อใด พราหมผู้เพียนเพ่งอยู่ต้นช้ดก็ว่าพราหม์นะในที่นี้หมายผู้ค้นหายานทศนันนั่นเองคนพบว่าทําัหลายสิ้นไปเสื่อมสิ้นไปเพราะปัจจัยแล้วประโยคที่สก็คือเมื่อใดอความสงสยยัยขงพราหมณ์ั้งวงสิ้นไปดุจแสงอาทิตย์ส่องขึ้นในห้วงนาภากาศมีทั้งความลึกซึ้งและผยล่ะนะครับ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 มีความเข้าใจผิดหรือคลาดเคลื่อนอยู่บ้างในหมู่ชาวพุทธทั่วไปนะที่เรามักจะเปรียบเทียบหรือคมขี่คนที่เราไม่ชอบขี้หน้าโดยเฉพาะชาวพุทธชาววัดนะคมขี่คนที่เราไม่ชอบหรือคนที่เรามักจะเรียกกับว่ า, วามิจฉาทิฏฐิเรามักจะเรีย้ยวพวกดอกบัวใต้เน้ํา <c oughs> เป็นการหยามเยียดโดยสามัญสำนึกแล้วไม่น่าใช่วิสัยของพระพุทธเจ้า ที่เยีดมนุษย์จงถึงระดับนั้นนะคระับนั่นคือข้อเท็จจริงว่าในพระบิดกไม่มีครับพระเจ้าอุปมาบัวสามเหล่าเท่านั้นคือทั้งสามเหล่านี่พร้อมที่จะบานแต่ว่าบางบางบางเหล่าก็ยังอยู่ใต้น้ําบางเหล่าเป็นน้ําบางเหล่าก็เตรียมจะบานแล้วส่วนบัวใต้น้ํานั้นอัศร迦าจารันเพิ่งเติมที่หลังครับนี่คือข้อเท็จจริงแต่ว่าการเติมของท่านมีเหตุผล เพราะว่าดูแล้วในสังคมมนุษย์มันมีคนบางประเภทเป็นอย่างนั้นจริงๆครับ้ายกาศเรียก ว, ว่ากำหนดในอธรรมธรรมราคะรัตตาพิรัตตาครับสัพาะเ็าเรียก ว, ว่าบุคคลผู้กำหนดในสิ่งที่ไม่เป็นธรรมอยู่ตลอดเวลาเราจะพบไม่ว่าในสนามการบ้านการเมืองนหรือแม้ต่วงการสงฆ์นะครับพอเหตุการณ์ระดับชาติขึ้นมาจะตัวละครที่ ที่ยืนอยู่ข้างักธรรมมันจะโปร่ขึ้นมาทันทีทุกรอบทุกเที่ยวเราก็ถูกกำหนดบทบาทมาใช่ไหมครับแต่ผมไม่ต้องการจะพูดเรื่องนั้นนะครับที่ว่าบัวสวามเหล่านั้นหมายความว่าพระเจ้าเล็งแวไปสู่ความเป็นไปนได้ที่หัวใจมนุษย์นั่นเองที่จะเบิกบานขึ้นแล้วก็ท่านเปรียบธรรมะที่ท่านสอนเปรียบด้วยแสงสว่างเข้าไปเร่งร้าบัวใจให้บาน มันน่าประหลาดมากครับที่วัฒนธรรมของอียิปต์ก็ดีก็มีเรื่องดอกบัวนี่มากเมื่อกี้ผมเอ่ยขึ้นต้นด้วยคำว่าเดือนพริกษภาวริกษานะแปลฟลิกษาครับดอกไม้บานสพลังทำให้นึกถึงอุปนิสัยใจคอของพระพุทธเจ้าขึ้นมาประการหนึ่งคือความรักในธรรมชาติอ่อ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 ส่งคณะทูตมาหลายคณะมาก8ปดถึงเก้าคณะทุกคณะที่มาพระพุทธเจ้าด้วยเจตนารมณ์ที่รับมาจากพระเจ้าสุดโทตนะเพื่อทูลเชิญให้พระเจ้ากลับเมืองคำกลับเมืองให้นิ่งไว้ให้กลับบ้านแล้วก็ไปคลองบ้านคลองเมืองดีกว่าอย่าเป็นรดเลร่อนเลยทูตทุกคณะที่มาพบกับพระองค์ข้าท่านโปรด สงสอนเขาจนเขาไม่อยากกลับบ้านเขาก็ออกบวชหมดทีนี้พระเจ้าสโตนะก็ส่งทูตคณะสุดท้ายนะครับซึ่งหัวหน้าทูตคือพระกาลุทายีองค์นี้เป็นมุขมนตรีครับเป็นผู้มีปัญญาและเป็นสหชาติของพระพุทธองค์สหชาติคือผู้ที่เกิดคนเดียวกับท่านอายุเท่ากันและเป็นเพื่อนเล่นเมื่อก่อนซึ่งมียโสธราพิมพานะครับพระอ น, นุนและก็ ว่ากันว่าต้นประศรีหมหาโพธิ์แล้วก็ม้ากันทกะด้วยอันนี้อันนี้มีเรื่องทำให้ดูให้มันดูเคร่งขลึมขึ้นอะไรทำนองนั้นนะครับแต่การที่การุธีมาเองอครั้งนี้มีบทบาทสำคัญมากเพราะว่าพระุทธองได้ตอบรับคำเชิญด้วยพระสหาไอคนนี้ถ้าเราไปสำรวจดูในราวิดกในวัสสูจะพบว่า ค่อยคำที่ทูลเชิญให้กลับเมือง น, นั้นมีสเสน่ห์และลุ่มลึกต้องพไตยของพุเจ้าอันนี้พูดเราพุเจ้ามีกิเลสอย่นั้นเนี่ยจริงคงมีความหมายที่ลึกกว่า น, นั้นถ้าเราดูลำดับจพะพบว่าการุธยีฉเฉลิวสลาดว่าครับรู้ว่าสุนทรสุภาไปพูดนีคงคงล้มเหลวตามเคยก็ประโยคแรกที่การุธยีพูดนั้นก็สะท้อนจากประสบการณ์ที่เคยเล่นกันตั้งเด็ก การุษชายีทรงรู้ดีว่าพระเจ้าชอบอะไรโปรดอะไรโปรดกันเที่ยวในป่าฮิมวันเที่อวีมาอะไรแล้วก็โปรดดอกไม้อันนี้พระคำพีเก่าที่ชื่อลลิตวิสตรารนเล่าไว้ครับแล้วก็ชอบเล่นดนตรีดังนั้นคําแรกการุษยีไม่ได้พูดเรื่องเพราะเรื Nowadays, ่องพ่อบอกให้กลับบ้านพูดภาษาจ้าบ้านฮะแต่กลับทูลว่าฤดูนี้เป็นฤดูศาสตรการ เข้าใจเป็นช่วงพลิกภาเนี่ครับสองข้างทางระหว่างแฟนี่หารนี่ย น, นะครับที่ท่านทัไปรู้อยู่กับกบิลพัสด์แดงสว่างเหมือนกระถานเพลิงไปด้วยดอกไม้ขอเชิญสเสด็จไปชมดอกไม้ด้วยกันแสดงว่าเอาความเปนเพื่อนเข้ามาพูดแล้วนี่คือสิ่งแรกที่ผมเชื่อ ว, ว่าสร้างความสนิทใจรื้อฟื้นความหลัง ให้กับพระเจ้าแต่คงไม่ได้หมายนึงว่าท่านมีกิเลส ต, ติดจมในความหลังไม่ใช่อย่างนั้นแน่เพราะคำดุนเชิญ น, นี้เป็นคำเชิญชวนของเพื่อนแล้วไม่มีการบีบบังคับใดๆทั้ง้นแต่คำเชิญประโยคที่สองนั้นยิ่งสำคัญหนักขึ้นไปอีกครับดุนเชิญว่าเป็นธรมเนียมของพระสมาสัมพุทิเจ้าผู้จรัสรู้แล้วย่อมกลับเมืองแม่ เพื่อยังชื่อเสียงของพุทธมารดาให้ให้ยังอยู่ในโลกนี้คำพูดนี้กระทบความรู้สึกอีกเพราะผมเชื่อพระเจ้านองเหนือจากลักธรรมชาติแล้วยังกตัญอู่ต่อมารดาเหมือนที่อาจารย์ลูกโบราณเขาผูกว่าผูกขึ้นว่าพระเจ้าเสด็จขึ้นดาวดึงเพื่อโปรดพุทธมารดาเพราะว่าพระพุทธมารดานั้นมายาทีพีสิ้นพระชนมเมื่ออายุท่านเจ็ดวันเท่านั้นเองไม่มีโอกาสที่จะ รู้จักด้วยํำไปเพราะยังเล็กเกินไปแต่ว่าในมั้งคำพีบอกว่าท่านรู้จักและท่านเทศนาโปรดพุทธมารดาตั้งแต่อยู่ในคันมีความหมายพิเศษนะฮะเราไม่ไม่ควรที่จะปัดไอ้ไอ้ถ้อยคำเหล่านี้ทิ้งมีรหัสอะไรพิเศษมาตมาก็กทุนเชิญเรื่องด้วยวัาข้อว่าพระบิดาทรงชลาแล้วทรงรู้ทาใดรู้ยานวิเศษอันใดขอให้เบื่อแผ่ถึงพระราชบิดาด้วย ผมจำไม่ได้มีทั้งแปดข้อครับเหตุผลแต่ข้อสุดท้ายสําคัญมากข้อสุดท้ายเป็นกับเพื่อนกับเพื่อนครับบอกว่าทูบทั้งแปดคณะเนี่ยล้มเหลวคราวนี้ขอพรให้หม่อมชันทํางานสําเร็จด้วยว่ากันว่าพอเสร็จคำทุนเชิญพู้เจ้าก็ส่งลุกขึ้นแล้วหิวบาทไปเลยครับผู้ตุลาเจ้บ้านไปเลยในความรู้สึกง่ายๆของ วัวหน้าทูตซึ่งชามฉลาดแต่ต่อมากะรุทะยีก็ได้บวชแล้วก็เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในพุทธศาสนานครับตะกี้ผมอ้างถึงพระคัมภีร์เล่มหนึ่งซึ่งฝ่ายเทราวาจะไม่ค่อยคุ้นหูนะครับซึ่งเป็นพระคัมภี์ที่สําคัญมากๆในทัศนาองผมแต่ว่าชาวมหายานคุ้นหูมากและเป็นพระคัมภีร์ที่เก่ามากๆประมาณช่วงหลังพระเจ้าโสกเล็กน้อยครับ พระเจ้าประมาณ500รอปีหลังพุทธกาลชื่อพระคำบีละลิสุวิตระจากคำบีเล่มนี้เองครับที่เราได้รู้เรื่องของพระพุทธเจ้าทั้งในแง่กว้างและลึกโดยเฉพาะที่ผมเคยบรรยายใน ห, ห้องนี้เรื่องบโรบโดนะครับภาพที่เป็นหินสลักต่างๆนั้นถอดมาจากพระคำภีเล่มนี้เสียส่วนใหญนะ่และเป็นต้นแบบให้อตโซโคสกี พุทธคนสำคัญมากๆใด้รจนาพุทธวัตรที่ชื่อว่าอัดพุทธจริตขึ้นมาซึ่งไพเราะจับใจอัดสวัคโคนนั้นเป็นกวีพุทธที่เทียบได้กับวังมิกิของฮินดูของที่รจนาเร า, มาเมื่อกีนเป็นกวีเพียงไม่กี่คนที่โลกยอมรับทางโลกต้นดกก็ถือว่าโฮเมอร์ต้นตำรับที่เขียนอีเลียกับโอดิซีขึ้นมานะครับ ทางฝ่ายตี น, นออกนั้นก็มีวาลมิกิผู้แต่งราเมาย์นะแล้วก็วายาดผู้แต่งมหาภารตะะยุทธและและอัศวโคตผู้แต่งพุทจลิอีกคนหนึ่งคือ ก, กาลิธาตผ์ผู้เป็นกวีในหลายๆเรื่องที่รัชกาลที่6ทรงแปลเป็นไทยมาคำพีเลลิสวิตรละ น, นั้นได้ไม่ไม่เพียงแต่พรรณาเรื่องภูมิหลัง ของพระพุทธเจ้าก่อนที่ออกบวชแต่ว่าได้ทอนวิถีชีวิตรเยี่ยนคนสามัญของพุทธองค์ด้วยยกตัวอย่างนะครับว่าเมื่อทอนที่พระราชวิดาอยากจะ้ปลูกพันุ์เจ้าชายไวใ้ในโลกในโลกีเยสุเพื่อให้ครองสมบัติปกครองบ้านปกครองเมืองนั้นทรงคาดคั้นให้ให้ท่านแต่างงานโดยเร็ววันกลัวจะออกบวชสิกรับแต่พระพุธทธเจ้าท่านเจ้าชายท่านไม่ไม่อยากแต่างงาน ถูกค่าท่านมากเข้าทั้งอะไรทูลกําหนดเงื่อนไขกับพระราชบิดาว่าท่านจะแต่งกับผู้หญิงที่เหมือนพระน้านางทุกอย่างน่นแสดงว่าท่านรักพระน้านางมากกับถือว่าพระน้านางเป็นหญิงแบบฉบับในหัวใจท่านทีเดียวเพราะอะไรเพราะพระน้านางนั้นถูกขอร้องจากมายาเทวีนะครก่อนสิ้นพรชนให้ดูแลเจ้าชาให้ดีที่สุดจนพระน้านางทุ่มชีวิตทั้งหมด จนไปเดชให้ท่านฝังใจมากกับพระนานางนะครัซึ่งต่อมาเพื่อพนา้นานางศรัทธาในศาสนามากอยากจะออกบวชท่านเลยตั้งเงื่อนไขามากด้วยความรู้สึกทั้งรักทั้งกังวลทั้งเป็นห่วงนี่เพื่อภาษาชาวบ้านนะครับที่จริงพระเจ้าคงไม่กังวลเหมือนเราๆท่านๆหรอกแต่ว่าเงื่อนไขที่ท่านตั้งที่เรียกครครุ ก, กรรมครุ ก, กรรบาบัตรอะไรนะว่าบปึกกันไม่ให้พระนานางต้องลาําบากทันนที่สุดก็เสียรู้พระอาหนนผงพูดภาษาชาวบ้านนะพระอาหน ทูลจนกระทั่งพระเจ้าเงียบเลยเอ่อเรื่องนี้ท่าบอกว่าท่านไม่อยากให้ให้ผู้หญิงบวชในศาสนานทีนี้พนังนางนก็เข้าเส้นทางพระอานอนเหยียดหยิบผิวของน้ำพูดภาษาชาวบ้านก็เนที่รู้กันพระอาหนอนก็ไวทูลพระองค์แล้วถามว่ามักผลยุภานเนี่ยนะฮะอรหัตผลเนี่ยเป็นสาธารณะกับทั้งสองเพศคือทั้งหญิงทั้งชายหรือว่าเฉพาะผู้ชายเท่านั้น พระเจ้าบอกไม่วิญิงกับพึงได้พรานั้นก็ลุกเลยทําไมไม่ให้พระนางบวชใ น, นเมื่อการได้รับอหรหัตผลเป็นที่สุดของการตอบแทนพระคุณพระเจ้าเลยเงียบเลยครับพูดไม่ออกคือจนมุมในที่สุดท่านก็ตั้งเงื่อนไขว่าถ้าพระนานางปฏิบัติได้อย่างนี้อย่างนี้ น, น, นี้ท่านยินดีจะให้บวชนะมีหลายตอนนะฮะที่คำเพลลิศวิจระได้สะท้อนวิถีชีวิต เป็นพุทธวัตรที่ใกล้กับชีวิตของมนุษย์เราพบ ว, ว่าคำพีรพุทธวัตรหลายเรื่องนี่เป็นลิเทเลเจอร์ขอโทษนะฮะใชภาษาอังกฤษเป็นวรรณกรรมไปอย่างปฐมสมโพธนั้นผมยอมเล่าเป็นหนังสือที่ไพเราะมากๆครับแต่อ่านแล้วก็ปเป็นเรื่องวรรณกรรมไม่ไม่สัมพันธ์กับชีวิตเราซึ่งเดินดินกินข้าวแขงแล้วเราก็รักเกลียดเป็นมีพ่อมีแม่มีงานมีการมีความรับผิดชอบนี่คือชีวิตจริงๆ แต่ลลิตสวิทละได้เล่าประวัติพระเจ้าไว้อย่างงดงามทั้งในแง่ของควาเมเป็นเทพและเป็นมนุษย์ ม, มีพุทธวัติในคำพ์เรมนั้นพระเจ้าไปโรงเรียนครับไปเรียนหนังสือขี่เกวียนที่เทียมด้วยแพะ่ไปด้วยแล้วก็เมื่อมั่นหมายกับยโสธราพิมพาหรือพัทกับการจนนะชื่อเดิมของพานา ยโสธรานรันนะพัฒกจัยพัฒกาจนานั้นนะัมทรงมือเข้ามาในสวนเพื่อแนะนำตัวคู่มั่นท่านให้สาวสนมกานันรู้จักซึ่งคำพีว่าเราไม่มีครับเราถือวิเล็กเกินไปแต่คำพีเรื่องนี้ไม่ได้ละเลยครับทุดสำคัญในเรื่องนี้ที่ผมจะเล่าก็คือค พ, พระคำพีลลิศวิตระได้เล่า ว, ว่าเจ้าชายตอนวัยหนุมนะ่มเนื เชี่วชานชำนานมากในการเล่นดนตรีประเภทสตริงฟังดูวนะิลิปว่าคุท่านจัดเจนในเรื่องดนตรีมากและในสุดเมื่อมาถึงเวลาช่วงสําคัญที่สุดลอดแหลมที่สุดในชีวิตว่าตายหรือไม่ก็บรรลุษธรรมนั้นความจัดเจนในดนตรีได้เข้ามาเล่นบทบาทในชีวิตของท่านเราอาจจะคาดไม่ถึงนะครับ ถ้าผมจะพูดบางคนอาจคิดว่าผมพูดตลกหรือพูดให้ใหคนอื่นทึ่งเล่นผู้เจ้าเข้าสู่ประตูธรรมนี้ด้วยดนตรีครับแต่ถ้าผมอ้างนิดเดียวก็จะร้องอ่อนะครับคือบ้านเราบอกพระอินทร์มาดีดพินให้ฟังแล้วไดแล้วพระเจ้าก็ได้ประสบการณ์ในช่วงที่ล่อมินเมย์และร่อแหลมคือท่านอดอาหารทรมานตนจนเยนสิ้นชีวิตนะฮะทันในนั้นก็พระอินทร์ก็มาดีดพิน แล้วก็พินที่ขึงตึงเกินไปก็สายขาดไม่ไยเราะย่อนก็ไม่ไยเราะพินที่ดึงดึงสายกลางกลางปฏิปดีจะท้อนเสียงที่ไพเราะเพราะพลิ้งขึ้นมาแต่ในคัมภีเลนสุรละไม่ได้เล่าอย่างนี้นะครับไม่เกี่ยวข้องกับพระอินทร์จริงๆคือท่านในอดีตสมัยท่านเป็นเจ้าชายน้อยเจ้าชายหนุ่มนั้นท่านจับเจนมากในเรื่องดนตรี เขาเป็นนักดนตรีเข้าใจเรืนี้ได้ดีนะครับ mm hmm. เขารู้ว่าเสียงจะไปเราะตามคีย์ตามออกเทปทั้งมันเนี่ยจะเปล่งอนุภาพเครื่องดนตรีไม่ว่าเป็นวโ ล, ลินหรือกีตาร์หรื อ, รรอสลังยีที่ในบาลหรืออินเดียตอนเหนือนะครับมีเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งชื่อสลังนีคือสังคีตนั่นเองครับจะพูดเสียงชัดๆแคคือสังคีตแต่ทางนูง้นออกเสียงเป็นสลังนีไพเราะมากครับ แต่ว่าถ้าขึ้นไม่ถึงระดับของมันมันจะไม่เปล่งอนุภาพของมันออกมาขึ้นดนตรีทุกชิ้นมีอนุภาพซ่อนอยู่ในนั้นผู้เข้าถึงมันเนี่ยทำให้เราล่องง่ายได้หัวล่อได้อย่างซองสั้มสายของเราเนมีพลังมากนะแต่ว่ามีคนน้อยคนที่เล่นมันได้หรือพูดง่งยๆว่าดนตรีทุกชิ้นนี้แต่ครับมันจะมีเนื้อหาของมันเองคนที่สีเวลินไม่ถึงระดับที่เวลินเปล่งอนุภาพนะก็จะไม่เข้าใจเรื่องราวล่านี้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 สิ่งที่ท่านเข้าถึงยังอาพาธได้คือยังเปลี่ยนแปลงได้นั่นคือฌานระดับที่อาจารย์เข้าถึงงัท่านก็ขอลาไปงนเงียบๆโดยความถม่อมเพราะว่าตัวเองก็ไม่รู้ที่สุดของมันแต่ก็ไม่รู้มไม่รู้ที่สุดก็ไม่รู้จะค้านอาจารย์ได้อย่างไงเพียงแต่รู้ว่าไม่ใช่เท่านั้นเองนี่พระคัำพีฝ่ายบ้านเราแต่ถ้าโรดิตวิสละแล้วไม่ได้เล่าอย่างนั้นนะครับโดยเฉพาะที่บโรบรอบดูเนี่ยบอกว่าพระเจ้าเพียงไปสนทนาธรรมกับอุทะกอาราระ เม่ไไปเรียนครับไป d i a l o g เหมือนกับว่าเราไปเยี่ยมใครสักคนหนึ่งเขามีชื่อเสียงในทางนั้นสนทนากันเมื่ออุทกะอา阿拉ละได้บอกภูมิปัญญาของตัวให้เจ้าชายฟังตอนนั้นเป็นเจ้าชายที่ที่ออกเล่ร่อนนะฮะท่านทรงตอบว่าที่ท่านเล่านั้นที่ครูทั้งสองเล่านั้นท่รู้หมดแล้วท่านท่านผ่านมาตั้งนานแล้วไอระดับนั้นแล้วท่านก็เลยไป ไปหาดาบทที่เป็นสตรีก็มีครับนี่สิ่งน่าประหลาดสำหรับเราฝ่ายเทราวาัตซึ่งวัฒธรรมฝ่ายเทราวาตค่อนข้างค่มขี่สตรีนะครคือสตรีมักจะเป็นบุคคลประเภทสองแล้วไม่คิดว่าสตรีจะมีปัญญาด้วยทั้งๆที่ทมีภาสิทซึ่งสงเคราะห์ได้ว่าเป็นพุทธภาสิตธนะครับว่าไม่เพียงแต่บุตรเท่านั้นที่มีปัญญาถึงสตรีก็มีปัญญาได้ คร่องอดีตนางบุรณนาเทลีก็ดีเขมกาก็ดีได้เข้าถึงอรหัตทุพนแล้วพระเจ้าทรงโปรดรานให้เป็นเอกภพะในทางปัญญาก็มีรวนแล้วจะเป็นสตรีที่ซึ่งรู้แจ้งเห็นจริงในศัตรธรรมดังนั้นเราอาจจะแปลกใจเล็กน้อยครับที่ว่าคำพีที่ผมระบุชื่อนั้นได้เล่าว่า จ้าชายที่เล่ร่อนไปหาครูซึ่งเป็นสตรีน่ายินดีหรือน่าอภัอยหรือเปล่าครับสำหรับผมเมื่อเห็นคำพูดผมรู้สึกยินดีเลยมันแสดงถึงการสแสวงหาของผู้สแสวงหาที่แท้จริงโดยมีเงื่อนไขว่าผู้รู้นั้นครูนั้นจะเป็นหญิงหรือเป็นชายขอให้เป็นผู้รู้เป็นชายได้แล้วต่อจากนั้นก็มุ่งค้นหาการเท่าฌานในระดับต่างๆนะครับไม่บรรลุผลเป็นที่ พอใจความคิดที่ตีกลับของเจ้าชายก็คือเมื่อค้นหาภายในมโนกติทางของการพัฒนาระดับของจิตโดยกําหนดนิมิตที่ละเอียดอ่อนไปเรื่อยๆนั่นไม่ใช่สิ่งสุดท้ายที่จํานงหวังความคิดตีกลับก็คือถ้างั้นทําลายอินทรียศาสตร์ให้มันด้านไปเลยจะดีไหมบางทีเราอาจจะอยู่นอกนอกมโนกติก็ได้ วุ่นวุ่นกติกาสิ่งที่เราค้นหานะครับเช่นได้บรรลุถึงความสุขฌานในระดับต่างๆแลวความคิดตีกลับเกิดขึ้นทั้งเริ่มทรมานตนเห็นได้ชัดว่าการไปหาอุตตะอลาละการทรมาตนตนเหตุผลนเนื่องกันทำไมได้ทำสุ่มสี่สุ่มหนะครับเพราะว่าทั้งหมดของพรเจ้านั้นเหมือนกันผมไม่อยากใช้คําว่าทดลองผมอยากจะใช้คําว่าแสวงหาไม่อยากใช้คําว่าเอาก็กซ์เพรลิเมนต์นะครับแต่เป็นเอ็กซ์พลอร์ explore เลยทั้งอย่างนักวิทยาศาสตร์ก็ทดลองอะไรนี่เขมีกฎเกณฑ์เขาสามารถพยากรณ์ล่วงหน้าอะไรจะเกิดขึ้นตั้งสมมุติฐานแต่การ explore การสํารวจนี่ของเจ้าไม่มีใครรู้เพราะว่าก่อนหน้าท่านไม่มีใครรู้ท่านยืนยันว่าก่อนหน้าท่านไม่มีใครรู้ที่สุดทุกเรื่อไม่มีใครรู้เลยแต่ว่ารู้ระดับชาตต่างๆแล้วเรียกมันว่านิพพานเรียกว่าที่สุดทั้งๆที่ท่านจับได้นี่ไ ม, ม่ใช่ที่สุด ดันั้เมื่อท่านทรมานตนมากสายใยชีวิตแทบจะขาดสะบั้นลงทันใดนั้นนะฮะสายเสียงดนตรีที่พอ ด, ดีในปรากฏขึ้นในความรับซาบของท่านเนื่องจากความจัดเจนครับเราจะพบว่าเราขับรถทางไกลไปแล้วจูนเจนจะเกิดบาเทศประสบการณ์ที่จัดเจนในการประคองตนนึงสาคัญมากครับเพราะว่าอุบัติเหตุมันจู่โจมไม่ทันรู้ตัว แต้คนไม่มีประสบการณ์มากนี่ต้องไปกับบัติเหตุทันทีเมื่อลดเอียงหรือสะดุดหรือตกขอบถนนแก้ปัญหาไม่จกเพราะไม่จัดเจนไม่มีประสบการณ์เลยแต่สำหรับพทธเจ้ า, าแล้วท่านจัดเจนจนกระทั่งเกิดเป็นไหวพริบปฏิฐานดีขึ้นมาในตัวเองเมื่อสายใหญ่ชีวิตผมใช้คำว่าสายใหญ่ชีวิ ต, าาาวตนะจวงจะสิ้นสุดแล้วท่านก็แ ว, วขึ้นมาในโสาาตปสาทว่านับเป็นแต่อดีต ประวัติของมนุษย์ซึ่งเดินสายทรมานตนนั้นท่านเป็นที่สุดคือไม่มีใครทรมานมากเหนือแบบนี้อีกแล้วจุดนี้มันเหนื่าครับถ้าว่าพลาดนิดเดียวพวกเราคงไม่ต้องมานั่งพูดกับมืึงแล้วเพราะจะไม่มีครูเจ้าจะไม่มีการประกาศศา ส, สนาจะไม่มีเรื่องการยุติศาสจะไม่มีเรื่องการติปฐานจะไม่มีวัดมีโบทเหมือนที่เราเป็นอยู่ตนทุกวันนี้